ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวรชาเรื่องปริญญาที่พาเป็นอรหันต์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อ23สพฤษภาคม2538นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ พวกเราเนี่ยอาตมาว่าพวกเรามีบุญนะที่ว่ามีบุญก็เพราะว่าพวกเรามีการได้ชําระบุญนี้แปลว่าความชําระการชําระและมีการชําระสะสางกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งหลายผู้หลายคนทนไม่ได้ที่ถูกชําระถูกติเตียนถูกให้เข้มงดวดกดขันขึ้น ถูกให้ประพฤติดีขึ้นขยันขึ้นบุญก็แปลว่าคุณงามความดีด้วยอะไรไม่ดีเนี่ยเขาพยายามที่จะรีดเราขัดเกลาเร า, เราเป็นสันเลขาธรรมจี้เราเรื่อยหลายคนทนไม่ได้นะทนไม่ได้แล้วก็ไม่เอาอาตมาว่าไม่เป็นนักสู้นะ ซึ่งเราเองเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรรุนแรงกันนะพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปทําอย่างลนกนอ ก, นอกเขาด่าหยับหยาบเป็นต้นลงมือลงไม้ทุบตีที่รันฟันแทงอะไรกันเป็นต้นหึ ก, กิริยาที่แสดงต่อกันก็หยาบคายอะไรก็ไม่มีเป็นแต่เพียงว่าขัดเกลารับไปถูกอัตตามาณนะ ถือตัวถือดีมากหน่อยเสร็จแล้วก็พอโดนกระทบอัตตามานะตัวเองเขาก็ไม่ชอบใจเองไม่สบายใจเองไม่พอใจเองแต่แล้วก็ถือตัวถือดีไม่อยู่ก็ได้วะไปที่อื่นก็ได้ไม่ทาก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันน่าเสียดายนะ มาคิดดูดีๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องถือตัวเรื่องอะไรแต่ไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเป็นกิเลสไอที่อะไรกันักกันหนาเขาก็ไม่ได้เปอ็นอะไรที่จริงเขาจะพูดด้วยอารมณ์หรือไหมอารมณ์ก็ตามใจเถอะเขาติเตียนหรือว่าเขาเองเขาเห็นว่ามันไม่ดีต่อให้เขาติเตียนผิดด้วย เขาตีเตียนอย่างนั้นนะมันก็ไม่ดี ม, มันมันมันก็ไม่ได้ถูกต้องอะไรเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าแต่มันเป็นการลองนะมันเป็นโจทย์แท้ๆมันเป็นข้อสอบจริงๆเลยว่าเราเองวางเฉยได้ไหมเราเองทนต่อการกระทบกระแทกกระทุ้งกระเทือนเหล่านั้นไหมพุทธะโลกะธรมหิเราทนตอ น, นินทาว่าร้ายนั้น ไอ้ท huh. ี mechanic, drinking, like murder, ่สันเรินแล้วราหม่ฟูใจดีใจอุ่นใจไอ้ที่กระทบกระเทือนกระแทกโดยวิธีนินทาว่าติเตียนอะไรต่างๆนานาแล้วเป็นไงมันทนได้ไหมทนต่อโลกกระทำเหล่านั้นวันไหวไหมมันเป็นโจทย์ที่จริงเราไม่ได้จ้างกันเลยนะนี่แต่ละคนไม่ได้จ้างให้มาสร้างโจทย์สร้างอะไรนี่ไม่ได้จ้างทาเองทาจริงๆรู้สึกเองจริงๆ มันยิ่งกว่าหนังกอลละครหนังละครก็ก็แหมโจนกันซัดกันอย่างอย่างนี้ ท, ทําทีทำท่าอย่างอย่างนี้แล้วก็ทนให้ได้มัง่งไม่ได้มัง่งอะไรก็ตามใจเถอะบูบว่บบาไปตามเรื่องตามราวาก็นึกคิดไปตามเรื่องเขาก็ตามอารมณ์ของมนุษย์โล ก, โลกเขาจะเป็นจะไปยังไง ก, ก็สร้างเรื่องสร้างราวไปเขาเราก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จริงเป็นเรื่องที่แท้ที่จริงโจทย์เหล่านี้ถ้าไม่มีเราก็ไม่รู้ ไม่รู้นะเพราะว่ามันก็นอนนิ่งอนุสัยนี่คือกิเลสที่มันอยู่ใต้กลนบึงของจิตมันนอนนิ่งมันนอนเนืองเนืองนอนนิ่งนแต่มันไม่จบลงมันนอนเนื่องมันนอนนิ่งนอนเนื่องนอนเนื่องอยู่มันเนื่องอยู่เนื่องหมายเขาว่ามันยังไม่จบเนื่องแบบว่าต่อเนื่องนี่แปลว่ายังไม่ได้จบไม่ใช่สุดไม่ได้สิ้นไม่ได้หมดเนื่องมันยังมีเนื่องอยู่แต่มันนอนอยู่เท่านั้นเองมันทําเป็นเสือหลับ เมื่อไรมันจะตื่นขึ้นมามันจะลุกขึ้นมาแล้วก็เพ่งขมั่มตัวเองหรือไปคาเทะในขมั่มใครก็แล้วแต่มันยังไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นโจทย์เหล่านี้มีความจําเป็นมีความสําคัญนะถ้าไม่มีโจทย์มันก็ไม่มีการปลุกเสือนอนไปร้อยปีนอนไปสองชาตินอนไปห้าชาตินอนไปร้อยชาตินนาตก็นอนอยู่อย่างนั้นน่ย นอนหลับคู่หลับไม่รู้คู่ไม่เห็นอยู่ยงั้นแต่มันก็ไม่จบไม่ล้างร่อมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นโจทย์ในตัวกันและกันอย่างดียิ่งเป็นคนที่รู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้มันสอกกิริยากายวาจาหรือแสดงออกทางจิตใจไม่ดีอ่ไม่ดีแล้วก็กอก คุยขึ้นมาโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่แด้วยลักษณะอย่างไรจังตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็ตามบางทีเขาไปตั้งใจสักหน่อยตัวเองเอามาคิดแล้วเอามาเอาเองล้วเขาไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่เจตนาเลยนะทำอย่างนี้มันหยามกักนนี่วะทำอย่างนี้มันดูถูกกันด่ากันในทีคนี่วะทั้งตัวที่คนเขาทํา น, นกิริยาอย่างนั้นก็ตามวาจาอย่างนั้นก็ตามเขาทําออกไปแล้วเขาไม่ได้เจตนาเลยไม่รู้ตัวด้วย แต่ตัวเองจะเอามาแล้วถือตัวย้ำกันว่าโกรธเครื่องอถือปรุงหมักหนักเข้าบอกอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วไปมันหน้าเสีย ด, ดายก็หน่าเสีย ด, ดายมันน่าสมน้ําหน้ากันหน้าสมน้ําหน้ามันโง่อะไรกันนักกันหนาแล้วก็หนีจากสิ่งเหล่านี้ไปน เพราะงั้นโจทย์ต่างๆที่เป็นการกระทบสัมผัสให้แก่กันและกันเหล่านี้นี่เป็นเรื่องดีต้องคิดให้เห็นได้ว่าเป็นเรื่องดีหัดพิจารณาหัดอ่านความจริงเมือเม่อเ ก, เกิดจิตอันนั้นขึ้นมาแล้วก็อ่านเอ๊จิตเราไม่ชอบใจเราถือดีขึ้นมาหรือเราถือตัวขึ้นมาอย่างไรอานาการเหล่านั้นถือดีถือตัวก็คือมานะคืออัตตา โดยตรง่ะถ้าจะแปลว่ามานะวัตถือดีก็ก็ได้อัตตาแปลว่าถือตัวก็ได้ก็คือตัวตนเนี่ยเราก็เกิดถือกันขึ้นมายึดกันขึ้นมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาอ ะ, อะไรกันมามาลบมาหลูมาขู่มาคมมาแตะมาต้องอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นอะไรงี้เป็นต้นเราก็จะต้องอ่านอาการเหล่านั้นจริงๆ พวกเราอยู่ในฐานะที่หยาบมันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วละ่ะนะหลายผู้หลายคนก็คงจะรู้ตัวต้องรู้นะต้องมีปัจจตังเวทิตโภวิญญูให้ต้องมียานญานทัศนวิเศษหรือวิปัสนาญาญยานที่อ่านรู้ อ, อ่านตัวเองให้ออกยานวิปัสนาญาณนี่เมื่อเริ่มมีก็มีไปเรื่อยๆตั้งแต่ชาน ที่มีปัญญาหรือมีญาณเริ่มต้นเมื่อเรารู้จากกิเลสญาณตัวที่เป็นฌานนี่เพ่งเผานี่เพ่งนี่จะต้องมีติรณปริญญาต้องมีญาตัปริญญาติรณปริญญาแล้วก็มีปหานปริญญาในอยู่ในฌานหมดฌานต้องมีปริญญาสามนี้คือเพ่ง เพ่งอ่านเพ่งอ่านเพ่งรู้ยาตะปริญญาไปว่ารู้ความรู้ปริญญาก็ไปว่าความรู้นั่นแหละรู้รู้อะไรรู้ยาตะยาต ะ, าตะก็ไปว่ารู้ยาตะมันก็มาจากรกากศัพทยาญาณญาตะหรือญาณเนี่ยญาณญาตะรู้รู้ใมัน่นรู้ให้จึงรู้ก็ไปตรงที่จะรู้โดยเฉพาะเป็นปรมัติจิตเจตสิก ที่จิตที่เจตสิกเจตสิกที่เป็นอกุศลเจตสิกที่เป็นอกุศลนั่นแหละคือกิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นอกุศลและเจตสิกจะว่ามันอันเดียวกันก็ได้จะว่ามันคนละอันก็ได้จะว่ามันเป็นแขกจอนก็ได้จะว่ามันเป็นจิตที่ตัวเลวก็ได้ปราบตัวจิตเลวหรือกิเลสมันก็พูดได้พูดทุพษาซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ปราบปรามฆ่าให้มันตายได้ มันเป็นอาการหนึ่งเดียวเหมือนจิตแล้วมันก็เป็นจิตที่จริงมันก็จิตแต่มันเป็นจิตฝ้าฝ่ายฝากชั่วฝากเร็วพระมัตยาตรปริญญาเรารู้ตัวนี้เข้าไปให้แม่นมันกำลังลังจับอะไรตรงไหนอาการขนาดนี้กําลังเกิดที่จับเลยทันทีอาการแล้วก็วิเคราะห์เห็นแตกต่างกันเลยว่าตีระปริญญาเป็นความรู้ที่วิจารณ์วิจัยตีระปริญญา ความรู้ที่วิจารวิจัยวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์เอาส่วนที่มันไม่ดีออกมารีดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาแบง่งติระนาญยังไม่ถึงกับขนาดรีดหรือวะละหรือวรางประหารปริญญาประหารคือการฆ่าการล้างการทําลายประหารประหานะป ร, ะริญญ า, ร, ร, า ร, รู้ว่าเราได้ลงมือประหานลงมือ ลดละจางคลายทำลายไอ้ส่วนที่เราวิเคราะห์วิจัยออกมาได้แล้วว่าอะไรชาญเพ่งแล้วก็เ ผ, เผาเผาก็คือความรวมรวมภาษาเผานี่ภาษาไทยชาชาชาชาปณะกับเพนาะนันการเผาชาปนกิจกับกิจการเผามนุษย์เลยเผาคนเผาชาชาณะแล้วก็ ทำลายมันนั่นเองผก็คือทำให้มันสูญหายไปเพ่งรู้แล้วก็เผาแล้วก็รู้ว่าเราได้เผาด้วยปหานะปริญญาปหาปริญญาปริญญาความรู้รู้ว่าเราได้ทำลายรู้ว่าได้ฆ่าด้วยเพราะถ้าบอกว่าเราทาถูกอย่างนี้แหละเรียกว่าวิปัสนาญาณเพเมื่อเวลามันมีปริญญานี้สมบูรณ์มันก็คือญาณสมบูรณ์นะ ยานั้นถ้าขยายออกแล้วนะหรือวิปัสนาญาณ น, นี่ถ้าขยายออกก็จะเป็นสัจญ า, านกิจจญาณจะเป็นสัจญ า, านกิจญาณคือเมื่อเป็นญานที่รู้ความจริงว่าอ๋ออันนี้แหลนะนัคือเป้าหมายอันนี้แหละคือตัวสนามรบที่มีศัตรูมีคู่ที่จะต้องเค้นฆ่ากันที่จะต้องทําลายกันก็คือที่ในจิตเราเนี่ย นี่ตรงจิตนี่แหละเป็นตัวร้ายเป็นตัวที่ลงสนามใหญ่เลยพอเราเรียนรู้แล้วว่าเป็นสัจจยานบอกเออมีญานเกิดรู้ความจริงต่างๆสัจจยานยานที่รู้ว่านี่ทุกนี่เหตุแห่งทุกและเราก็ได้ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอยู่ในวาระใดอิเรยาบทใดและมันเกิดอย่างไรเกิดอยู่ที่ใด ยาวยืดมาจนกระทั่งถึงออกมาเป็นวาจามาเป็นกายกรรมมาเป็นกรรมการการการกระทำต่างๆเป็นกรรมมันตะก็ตามอยู่ในวาระที่ทำอาชีพการงานใดๆก็ตามเป็นองค์ประกอบมากมายเรียกว่ากาโยองประชุมองค์ประชุมอง ค, ป ร, องคประกอบที่มันมีอะไรตรเกี่ยวข้องแต่เสร็จแล้วเราก็เพลงเข้าไปอ่านรู้ที่ในจิตเราได้เกิดปริญญาสามนี้ได้ ทำจริงๆเลยกิจยานก็ขลงมือทํายานรู้ว่าเราได้ปฏิบัติปฏิบัติกิจปฏิบัติทำงานการข้างนอกก็ทําอยู่กรกรมกริยาข้างนอกก็มีอยู่การอ่านรู้เป็นงานส่วนตัวอ่านรู้มีโพธิปักษ์ที่ทำห ร, ร, รือมีโพธิชมีมรรคองแปดอยู่ครบพร้อมนี่แหละมสีสติปัฏฐานสีมีสมาปัฏฐานสีมีอิทธิบาทมีอิทธิบาทสี เป็นกิจยานมียานรู้อยู่ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ทำกิจตนกิจท่านอยู่ในตัวผู้ใดรู้ตัวรู้ตนจริงๆก็นั่นแหละลงมือทาอยู่จริงๆเลยวิปัสสนาญาณก็คือญาณที่รู้ยิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะมีวิชาหรือมีความรู้ญาณจากฌานจากวิปัสสนาญาณเป็นมโนมยิทธิก็คือจิตมีริษมโนมยิทธิมีอิทธิริษทางจิต มโนม ย, มมยิทธิมโนมยะอิทธิอิทธิก็มีฤทธิ์มีเดชมีเรี่ยวมีแรงมีความสามารถในทางจิตใจมโนของเราเป็นของเราเองเป็นเป็นคุณภาพของเราเองประสิทธิภาพของเราเองเป็นความสามารถของพระอริยะพระอริยะสามารถที่จะปฏิบัติกิบมีมัสมีผลเรียกว่ามโนมยิทธิ อิทธิวิธีมีวิชาอิทธิวิธีหรือวิอะไรวิอะไรอรยาณวิธีวิอิทธิวิธิวิทยานเลยมีภาษาบาลีอีกคํานึงนอกจากจะเรียกวิธิวิธีแล้วยังอิทธิวิทยานยานในอิทธิวิธีต่าง คือมันรู้รายละเอียดลงไปเลยว่าเป็นวิธีอย่างไรที่มันเป็นวิธีเป็นนามธรรมเป็นวิธีอย่างพุทธนะอัตมาอธิบายแล้วถ้าอย่างโลกโลกกันเดินน้ำดำดินไ อ, อตัวเดียวเป็นสองไอหนเป็นมากขึ้นมากขึ้นลดลงมาเลหนึ่งอะไรกัแล้วแต่สตวอัตมกรอธิบายเป็นธรรมทิฏฐานอธิบายเป็นพุทธวิชาให้ฟังมามากมายแล้ว มันทำได้มันประหลาดมันเออมันจริงๆด้วยนะมันสามารถเหมือนเหมือนนกมันเบามันว่างหรือว่ามันดำดินไปได้พิลึกพิลึกเดินบนน้ำได้มึงพิลึกเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออิทีวิทีนี่มันจริงๆด้วยนะกำแพงภูเขากำแพงกิเลสกำแพงอุปสรรค นานๆที่มนุษย์ทนไม่ได้เป็นโลกียะแต่เราก็อยู่ท่ามกลางอันนี้เหมือนอยู่เดินอยู่ในความว่างทะลุไปมาได้ไม่มีสิ่งอะไรกัน้นไม่มีสิ่งอะไรขวางไม่มีสิ่งอะไรแข็งไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เราจะต้องหนักหนารู้สึกเบาว่างทะลุทะลวงไปมาได้สะดวกคล่องแคล่วอะไรงี้เป็นต้นแม้แต่ที่สุดรูปพระอาทิตย์รูปพระจันทร์ได้ฝ่ามือได้ ออันนี้เราก็ถูกได้แตะต้องได้สัมผัสได้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องมีริบมีแรงมันใหญ่มันไกลมันกว้างมันโ อ, อไม่อาจไม่เออ่มแต่เราก็อาจก็ออมถึงได้แม้แต่ที่สุดพมโลกเราก็อะไรกายไปด้วยกายได้ด้วยพมโลกด้วยอะไร ใช้อำนาจทางกายไปได้ตลอดพรมโลกอะไรเงี้ยสำนวนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจํามันเป็นสัญญาแต่เนื้อหาสาระว่าต่อให้ไกลสุดไกลเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกแห่งพระพรเลยเป็นโลกที่วิเศษที่สุดเป็นโลกแห่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็สามารถที่จะเป็นไปได้โดยทุกอย่างเลยจะเป็นองค์รวมไม่ใช่แต่เรื่องหยับ ไม่ใช่แต่เรื่องละเอียดละเอียดที่รู้ได้โดยตนอย่างเดียวแม้แต่ทางหูตาจมูกรินกายองค์ประชุมทางทุกอย่างองค์ประชุมทางด้านการงานองค์ประชุมทางด้านอะไรเราก็ทําได้เป็นผู้ที่เหมือนพระเจ้าในโลกของพระเจ้าในโลกของลโลกแห่งพรหมโลกที่วิเศษสุดมีเมตตาเป็นพฤติกรรมมีอะไรอะรแสดงออกอย่างเป็นองค์ประชุมที่ชัดเจนไปได้ตลอดพรหมโลกไม่ว่าจะ ตื่นลึกหนาบางพรห ม, มโลกชั้นไหนต่อชั้นไหนก็ไปได้หมดสามารถที่จะเข้าถึงสามารถที่จะยืนอยู่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมได้เป็นเป็นอิทธิวิธีอย่างนั้นจริงๆนะสามารถที่จะเป็น แต่ก่อนนี้ก็มีความรู้นิดหน่อยพอต่อมาก็สามารถทำได้ขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งสามารถขยายจนกระทั่งมากมายเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นอริยคุณจุดหนึ่งแต่เาก็ได้หลายจุดมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามความเป็นจริงจากเลือะเทอะอะไรมากมาย ก, ก็ยนอยอลมาหายหมดเหลือแต่เพียงเป็นส่วนเอกส่วนวิเศษส่วนเลิศ ส, ส่วนยอด มากมายมาเป็นหนึ่งเดียวมาเป็นเอกธรรมมาเป็นเอโกโอธรรมโมได้อะไรนี้เป็นต้นมีอิทธิวิธีมีความรู้แทรกซ้อนมียานวิชาที่วิเศษยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซอ้อนลงมานี่แหละจริงๆแล้วฌานกดีวิปัสสนาญาณกดีมโนมยุทธิกด็กดีก็เป็นตัวหลักสําคัญฌานเป็นสามคู่แรก ฌานมีปัศนาญาณมโนโมยิทธิสามารถปฏิบัติฌานเป็นมีฤทธิ์ทางใจมีวิธีที่รู้เลยว่าเราทำไปแล้วนี่เกิดญาณเกิดวิธีอิทธิวิทยานสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจะเริญนขึ้นเรื่อยๆขอย้อภัยไม่จะมาถึงไม่จะถึงอิทธิวิธีมโนโมยิทธิกับวิปัสสนาฌาน ฌามนโมโนบัณฑวิปัสนาญาณกับมโน ม, นโมยิทธิมีฤทธิ์ขึ้นมาไอฤทธินี่แหละขยายอิทธิวิธีหรืออทธิฤทธิทางมนโนมยิทธินี่ขยายเป็นอิทธิวิธีขยายเป็นคู่ที่สามก็ เ, เป็นคู่ที่2มีสมตัวคู่ที่2 อ, อิทธิวิทยานหรืออิทธิวิธีโสตทิเจโตปริยานอีกสมหมู่หนึ่ง อีกที่วิธีก็คือมีวิธีมากขึ้นลึกซึ้งซ้อนขึ้นมีเสียงสองรูปสองกลิ่นสองอะไรสองสองเป็นคู่เคียงว่าอย่างหนึ่งเป็นทิพย์อย่างหนึ่งเป็นสามัญตาสามัญเห็นรูปสามัญเสร็จแล้วก็เป็นอย่างคนสามัญหลงไหลไปกับรูปตาทิพย์ก็สามารถมียานปัญญารู้เท่าทันว่าเออก็รูก็คือรูปแดงก็คือแดงไม่ได้มีฤทธิเ์เดชสวยมาทําให้ใจเราเกิดกิเลส งามหรือว่าไม่งามพอใจทําให้เราพอใจไม่พอใจมีตาซ้อนมีความรอบรู้ซ้อนเป็นโสตทิพเป็นตาทิพเป็นหูทิพเสียงได้ยินอย่างนี้ก็แต่ก่อนนี้เสียงอย่างนี้ละโอ้โหเรานี่ถือสาเราปันป่วนไปตามเสียงเกิดอารมณ์กามก็ดีพยาบาทก็ดีไปตามเสียงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่สงสัยอ่านชัดไม่มีวิจิกิจฉา ไม่เกิดทีน้มิทะเกิดการถือดึงถืดูถุดีเกิดการยิ่งเครียดยิงแข่งยิงลาบากหรือว่าเจอเสียงเจอรูปเจอกลิ่นเจอรถอย่างนี้แล้วก็เป็นอุทจักกุกุจักก็ยิ่งดียิงดินยิงฟุ้งยิงซ่านยิ่งไม่เป็นโลเป็นพายก็ไม่มี เราจะต้องอ่านออกไม่เกิดนิวรณ์หนอกจากไม่เกิดนิวรณ์หแล้วก็ไม่ได้ยึดติดไม่ได้เป็นอุปทานขันห้าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็บริสุทธิ์หมดเวทนาก็รู้สึกสัญญากําหนดเข้าใจจะเปรียบจะเทียบเทียบโดยอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็เข้าใจดีสัญญาสังขารจะปรุงแต่งก็สามารถปรุงแต่งได้ด้วยเพราะว่าเรู้สึกซ้อมสังกับปะมา เก่งแล้ววัดต ก, กับวิตรกะสังกปะจิตของเราก็แข็งแรงดีอัปนาพยปนาเจตโสพิเนโรปรนาวจีสังขารจะสังขารจะปรุงเงนก็เ ป, นเป็นเป็นปัญญาพิสังขารมีแต่บุญเกิดการปรุงไปเป็นชําระกับชาระจิตปรุงไปเป็นส่วนดีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรก็ได้หมดปรุงได้เก่งนะปรุงเป็นฤทธ อย่างขบุตรเจ้านี่ต้องสุดยอดเลยเป็นปรุงแล้วก็เป็นอิททาภิสังขารเลยของขบุตรเจ้าอิทธาพิอิทธอภิอภิก็ยิ่งปรุงได้อย่างเป็นฤทธิ์เป็นเดชปรุงได้อย่างวิเศษเยี่ยมอิททาพิสังขารไปเลยข้าเราก็เอาเราแค่์ปัญญาพิสังขารปรุงได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นความความดีงามเป็นการชําระไปได้ไม่ชําระตนก็ชําระผู้อื่นปรุงให้เป็นชําระกิเลสผู้อื่นได้ด้วย จะเป็นความสามารถขึ้นจริงๆเลยเพราะเวทนาสัญญาสังขารไปวิญญาณหรือเป็นรูปที่รู้ได้ขันห้าของเราไม่มีอุปทานติดยึดอะไรเลยเข้าใจเลยว่าไม่มีอุปทานนอกจากจะสมาทานเราจะยึดเอาไว้เพื่อที่จะเป็นไปด้วยดีสมะนี่เป็นเป็ น, ปนตัวสมบูรณ์สมะนี่แปลว่านิพานด้วยนะอูปสมะอุปสมะนี่เป็นตัวนิพานเลย เกิดสภาพสมบูรณ์สมะเราสามารถทําจิตของเราได้ดีขึ้นเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นที่จริงสมบูรณ์หรือสมบูรณ์เนี่ยสมะปรบูรณกับปรูรณาบูรณก็เต็มเป็นความเต็มสมาทานสมะอาทานเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆเราไม่เป็นยึดไปติดเป็นอุปทาน มีขันห้ามีอุปาทานในขันห้าอะไรอยู่ไม่มีนี่เราก็เรียนรู้ไปนี่วนาอุปทานขันห้าอายตนาหกเราก็เรียนรู้อายตนาหจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เป็นสัจธรรมรูปสัจธรรมกลิ่นเสียงสัมผัสเวทนาใดๆล้วก็อ่านรูจกก้จนกระทั่งทําเวทนาของเราให้เป็นอุเบกขาเวทนาได้แม้แต่ที่สุดอุเบกขาเวทนาก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นตน้น เก่งสามารถเี่ยวชาึ้นไปเรื่อยๆนี่นอธิบายต้นไปจกนกระทั่งถึงจบว่าเราจะจับอะไรเป็นอย่างไรตัวไหนเราได้ภาคเพียงประพฤติอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นกิจยานจนอันไหนเสร็จก็รู้ว่าเป็นกัตยานมีสดทิศพรูในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันไหนเป็นทิพทิพก็คือสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสามัญ กรูรูปเป็นสามัญรู้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผสัสอะไรที่มันยังไม่เป็นทิพย์ยังเป็นผีอยู่ยังเป็นตัวกิเลสอยู่มีอาการที่มันไม่ไมไมสมบูรณ์เกิดอยู่ก็ร้างก็ละไปละเอียดละอ่อไม่ว่าจะใหญ่จะใกล้จะไกลจ ะ, ลจะยังไงก็แล้วแต่ก็ยิงรู้ได้เร็วได้ไวได้ทั้งไกลทั้งขนาดทั้งระยะทางทั้งอะไรทั้งรูปสภาพ กำหนดได้ถูกอย่างนี้เป็นของอันนี้อย่างนี้เป็นเรื่องของอันนี้มีความฉเฉลียวฉลาดปฏิพานไววพริบรู้กันไปเยอะแยะโซทิฟก็คือตัวยานที่เกิดจริงเป็นจริงเจโตปริยานก็เกิดจริงๆ ร, รู้แจ้งในจิตในใจรู้แจ้งในกิเลสตัณหาต่างๆเพราะว่าเรามีตัวปริญญาสามวิเศษ มียาตาปัญญามีติรณะปัญญามีปะหานปริญญาหรือสมมตประธานสมมตประธานก็คือระภาคเพียนปฏิบัติสังวรประทานมีปะหานประทานมีภาวนาประทานทำให้เกิดผลได้จริงๆริงสังวรสํารวมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้นอกรู้ในมีติรณประปญญาเก่งแล้วก็มีปะหานปิญญาเก่งก็คือเกิดปะหาน ประธานได้สังวรประทานแล้วก็มีประธานประทานมีภาวนาประทานเกิดผลเกิดผลเกิดมักเกิดผลจริงๆรักษาผลได้ด้วยอนุรักษนาประทานมนะีอนุรักษนาประทานรักษาผลของเราไว้ได้แล้วก็เสริมต่อเจริญขึ้นไปอีกเรื่อยๆเจตโตปริ ย, ร ย, รรรยานตั้งแต่รู้หนาจิตยังไงมันเป็นตัวเกิดมานี่วิเคราะห์วิจัยไม่ออกเลยแต่ก่อนนี้ มันเป็นราคะโมนโทสะมูลโมหะมูลอย่างไรไม่เคยรู้เรื่องแต่ตอนนี้เรามีปริญญาสามเก่งแล้วมีปริญญาโดยเฉพาะรู้แล้วนี่จับตัวมันได้และวิเคราะห์วิจัยมันออกอเลือกเฟ้นออกแล้วก็ทําลายสิ่งที่ควรทําลายอะไรที่ไม่ต้องไปทําลายมันหรอมันก็เป็นธรรมชาติของมันจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้เราก็ไม่ได้ไปทําลายอะไรที่จิตแต่ก็รับรู้แต่ ร, รู้วิจัยวิเคราะห์ไอสิ่งที่จะทําลายออกได้ ก็ทำลายสิ่งนั้นเจริญขึ้นเรื่อยๆลดละลงไปรู้แล้วว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยไปเข้าถูกทิศถูกทางเจริญจนเป็นตักวิตตกะเป็นสังคิตตะสังคิตังจิตังวิกิตังจิตังเอออย่างนี้ได้แต่ว่ามันยังตือตือมันยังเป็ น, นกรรกรยังเป็นแทงแทงอย่างนี้ยังกระเซ็นกระสายอยู่เป็นวิกิตังจิตัง เขาก็แปลเป็นภาษาไ ท, ไทยแต่แค่ว่าจิตหดหูก็จิตฟุ้งจิตเป็นกลุ่มเป็นก้อนจิตเป็นผลึกกับจิตที่ฟุง้งฟุงสังสส้นๆก็บเซนก็บสายก็บเด้นกับดอนอะไรอยู่เขาก็แปลว่าฟุ้งสัง้นกับหดหูแปลเป็นศัพท์ไทยง่ายๆชัดๆก็เท่านั้นแต่เราก็รู้อาการของเราเราก็เข้าใจอ๋ออย่างนี้ลักษณะสังกิตตังจิตตัง อย่างนี้เราลักษณะวิกิตตังจิตตังมันยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่เราก็จับตัวมันได้แล้วเราลดมันได้แล้วบังแล้วแต่มันยังแข่งยังคุมลักษณะของฌานที่ยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นตักวิตกะอาจังเป็นวิตกวิจารณอยู่จนกระทั่งเราลดวิตกวิจารเนี่ยในลักษณะที่มันอยู่ในสภาพสังคิตตังจิตตังหรือวิกิตตังจิตตังนี้ถ้าองค์ฌานสี่ก็เรากําลังจัดการเพ่งเผามันก็ยังไม่เก่งนะ ยังไม่มีวสีแคลวครองยังเคร่งคุมมันยังจัดการจิตมันก็เลยยังปล่อยไม่ได้มันยังหนักยังลำบากหรือว่ายังจับไม่ติดยังเป็นวิจิตังจิตังยังเป็นอุทธจจะยังฟุ้งยังกระจรกระจายังอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอ๋อหไอ้เจ้านี่มันดื้อมันดึงมันด่านมันแข็งมันแต่ก็จัดการกับมันได้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ยิ่งขึ้นเป็นมหาคต ถ้าเรารู้ว่าเราเองเราไม่ได้เจริญเลยจิตอยู่แค่นี้ได้แค่นี้มันไม่เจริญขึ้นเลยก็เป็นอมากตะต้องรู้ตัวเป็นอมากตะก็คือมันไม่ได้สูงไม่ได้ทรงไม่ได้ยิ่งไม่ได้เะมากไม่ได้เพิ่มไม่ได้เจริญอะไรขึ้นเลยอมากตะอยู่กลางเก่าแหละก็ต้องให้เป็นมหาขตะให้จิตมันเจริญ้ได้พัฒนาจริงๆอ่านออกทุกกรรมกิริยาสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะ มีชีวิตอยู่ตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอิริยาบถอะไรเราก็ปฏิบัติไปเจริญขึ้นจริงหรือไม่มันก็เจริญด้วยวิชาทั้งหลายหมดนี่แหละเจโตปริยาณเจริญขึ้นจริงๆสูงขึ้นเป็นมหกะตาแล้วก็ยิงละเอียดละออขึ้นไปเป็นสัอุตรจิตจนสุดท้ายจะเป็นอนุตรจิตนั่นแหละนะ สัตว์รจิตรโอ้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นผ่านเจ้าสภาพสังกิตตังจิตตังวิกิตตังจิตตังขึ้นมาได้จริงๆเลยเออมันสบายขึ้นมาแล้วแต่ก็รู้อยู่ว่าดีแต่ยังมีดีกว่านี้ยังเหลืออยู่ดีกว่านี้ยังมีอีกสามารถที่จะทำให้ละเอียดละ อ, อสมบูรณ์สะอาดผุดพองจนกระทั่งเกลี้ยงสนิทอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังรู้อยู่ว่ามันมีส่วนที่จะต้องทําอีกอจิตที่ดีแต่ว่าดีกว่านี้ยังมีอีก สอุตรสะสัอุตระจิตตังเป็นจิตที่เหนือโลกขึ้นมาแล้ ว, ลวมีอุตระแล้วสะอุตระประกอบไปด้วยอุตระจิตแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอะนุตรจิตจิตที่เหนือยิ่งกว่าเหนือไม่แค่นั้นได้อีกโดยลึกซึ้งก็ไปอีกสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตอะวิมุตชั้นตอนในระดับถ้าเป็นชั้นภาค ของพระ อ, อริยะก็เป็นอนาคาขึ้นไปหรือส ก, กิทาขึ้นไปอนาคาขึ้นไปจริงๆเลยต้องอ่านรูปมเีเจดปั จ, จตังเบธิตโพวินยูมีการรู้ด้วยตนตนต้องรู้ต้องมีญาณของตนมีวิชาของตนเสร็จแล้วก็ทบทวนด้วยวิชาสามเตวิชโช <c oughs> อัตมาได้ความรู้มี ภิกษุณีมาแปลคนคืออะไรอยู่ที่ปทมสุโขตอนนี้แปลไปได้ร้อยกว่าหน้าแล้วแปลเป็นภาษาจีนจากไต้หวันก็ได้ความรู้จากเขาว่าทั้งมหายานเนี่ยบอกว่ า, าเตวิชเนี่ยคนธรรมดามีไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะมีนั่นนะเขาไปเอาความหมายนั้นเลยเทวิชฌนี่พระพุทธเจ้าเท่านั้ น, น, นมีเทวิชคนอื่นนี่ไม่ได้บอกงั้นเลยนะ เออเราก็ฟังมิน่าแล้วเมื่อไม่มีเทวิโชแล้วมันจะไปเป็นบรรลุอัศวคยญาณได้อย่างไงไม่ว่าโสดาสกิธาอนาคาหรือโดยเฉพาะอรหันต์อรหันต์ก็ต้องบรรลุออศวคยญาณก็บอกว่าเตวิโชใช้ไม่ได้เอาเมื่อเอาเครื่องมือไม่ให้ใช้เสแล้วก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์กันเลยเครื่องมือนี้ไม่ไม่มีไม่ใช้มันจะต้องรู้การเกิดการดับจุตูปปาตญาณ จะต้องทบทวนจะต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญารึกยอนทวนว่าเราจะทำได้ไม่ได้อย่างไรถูกต้องไหมมากน้อยต่างกันอย่างไรนะไอหมดความมีกับไอมีความหมดนี่มันต่างกันอย่างไรไอะไรเงี้มันมีน้อยกับ ม, มันไม่มีเลยมันต่างกันมีน้อยก็ไม่มีนี่มันใกล้กันแล้วนะมันเหลือน้อยมีน้อยก็ไอไม่มีต่างกันนะมันหมดความรู้กับรู้ความหมดต่างกันไหม ต่างกันไหมต่างกันยังไงหมดความรู้นี่รู้สีหมดความรู้นี่คืออวิชชาไม่รู้แต่รู้ความหมดนี่เยี่ยมยอดนะรู้ความหมดมันชัดเจนแจ่มแจ้งเลยตรวจสอบไปเปรียบเทียบไปเสมอเสมอเสมอนะ แ้วทำไมมีเตวิทโชไม่มีการเปรียบเทียบอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็อดีตกับปัจจุบันนี่แหละสาคัญถ้ายิางระลึกได้มากระลึกได้ขามชาติเลยได้ยิงดีไม่ต้องขามชาแล้วขามวันขามเดือนข้ามปีไปก็ได้ยังจําได้ว่าโอ้สภาพที่เราผ่านมาอันนั้นโดยเฉพาะเป็นปรมาจารยก็ระลึกได้โอ้จิตใจเราตอนนั้นช่วงนั้นขณะนั้นเป็ น, อ ย, น, นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆนะ มีกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นทำได้แล้วยังเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่หรือไม่โอ้เดี๋ยวนี้กับก่อนนี้ต่างกันมากนะเดี๋ยวนี้อาจจะเหลืออยู่เป็นสะอพุทธจิตตังแต่มันก็เจริญขึ้นมามากแล้วคุณก็รู้เลยว่าคุณเจริญเอ้ยาวนานมาแล้วนะเหตุปัจจัยแต่เคยผ่านมาเนี่ยโอ้มีโจทย์มาตั้งไม่รู้กี่ทีถ้าเป็นเมื่อก่อนโน้นโอ้โจทย์อย่างนี้เสร็จเขาแต่เดี๋ยวนี้สบาย แต่บางนี้ที่โจทย์อย่างนี้เรายังไม่ค่อยได้แหบางทีเรายังขาหักคาเปยอยู่ยังอ่อนแออยู่ยังไปไม่รอดก็จะรู้ตัวว่าตัวเองมีฐานความจริงอย่างไรเราได้แค่ไหนเราเป็นได้หรือเป็นไม่ได้เป็นได้หรือยังได้มากได้น้อยเราจะรู้ความสามารถของเราจริงๆมันต้องมีของจริงความจริงนะไม่ใช่เดิดนเดาเอาคณเนเนประมาณเอาเดาเดเป็นตัก ตักกะเป็นตักกะวิทยาตรกกศาสตร์ตักกะวจารา แ, แต่เดาๆไปไม่ใช่เรื่องเดาเป็นเรื่องจริงเพราะงบุพเพนิวาสานุสติก็จะเกิดยานแล้วก็รู้อะไรเกิดอะไรดับอธิบายในวันวิสาขาบูชามาก็มากมายอะไรเกิดอะไรตายเราก็รู้ความจริงว่าเออที่เราทําให้มันตายอะไรตายตายหมดสนิทหรือยัง รู้ความเกิดความตายรู้ความเกิดความดับรู้ความเกิดความดับับ น, นี่แหละไม่ได้ไปรู้ความเกิดความกลับดับอะไรดอกกิเลมันดับจริงๆเกิดจริงๆเกิดเป็นจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตอาริยะจิตที่เป็นาธาตุแท้ทาธาตุบริสุทธิ์แม้แต่กนบึ้งก็ไม่มีแม้แต่อาสวะก็ไม่เหลือคุณก็มีอาสวัชขยายานขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆเออจึงนัน้นนี่วิมุติแล้วยังเนี่ มีมุดไปแล้วก็ผ่านการผ่านเวลาผ่านโจดโจดโดยไม่ต้องเจตนานี่แหละมันเก่งถ้าโจด ท, ที่เจตนานี่มันตั้งใจสู้มันสู้ได้แต่โจดโดยไม่เจตนานี่นะไม่รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยไม่ได้ตั้งใจจะรู้ด้วยโจดพวกนี้ก็เสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดจริงๆเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่เกิดไม่เจตน า, นานแล้วเอาไปรำลึกเอาไปทบทวนจะรู้ตัวอ๋อเหตุการณ์นี้ผ่านมา ไม่ได้เจตนานะโจ besar. ทย์มีเออถ้าเป็นก่อนนี้ถ้าโจทย์ไม่รู้ตัวอย่างนี้เสร็จเขานะเดี๋ยวนี้แม้ไม่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่เกิดแล้วผ่านมาก็ไม่เกิดแล้วแสดงว่าอาสวะของเราไม่เหลือแล้วมันไม่ไม่มีคุดคุยถ้าไปกแต่ก่อนนี้โจ Поэтому, out, ทย์อย่างนี้นะขึ้นกิเลสจะเกิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิดหครั้งสองครั้งหครั้งร้อยครั้งระลึกเป็นร้อครั้งระลึกเป็นพันครั้งอ๋อโจทย์อย่างนี้ตั้งพันครั้งสองพันครั้ง อีกกี่ครั้งก็ตามเออมันจะเกิดอยู่มีนหรือลื้มเปลีปลปลยมลีนมีนิดน น, น, น้อยก็อย่าประมาทโทษภัยอันมีประมาณน้อยแม้เป็นธุรีหมองธุรีเริงโซโกะอะโซกะวิรชะนี่ตรวจละเอียดแล้วก็ของเรานะะยิ่งคุณฝึกคุณปลือจริงๆคุณฟักคุณซองจริงๆและคุณก็มียานเหล่านี้ เสร็จแล้วจบแล้วแเราก็คุณก็รู้ว่านี้เป็นกาตาญานเป็นญาณที่จบละเป็นญาณที่เป็นนิโรธสนิทเป็นญาณที่ถึงขั้นอาสวัคยญาณคุณก็จะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ดีๆมันจะไปเกิดเองไปเรียนจบตํารานู่นท ถ้าใครอาตมาว่าจะจบตำราอาตมาว่าท่านสรีส ร, ส, รสรีสรนิโยนี่จะจบก่อนเพื่อนนะเนี่ยอ่านตำราได้เก่งมีตำราป่านี้เป็นพระอาหารหันต์ก่อนเพื่อนเลยในยแต่ตำราเนี่ยแต่ก็อนุเคราะห์ช่วยเกื้อกูลนะอนุเคราะห์มันอนุเคราะห์มันช่วยมั น, เ ป, นเป็นหลักหัวข้อมันเป็นอะไรต่อไรมันสอดคล้องกันมันขยายกันมัน ช่วยเหลือกเกือกูลกันหัวข้อธรรมะต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เรายิ่งรู้มากก็ยิ่งเช็คอันนี้ก็เติรสอดคล้องเช็คอันนี้ก็ตรงหลักนี้ก็แม่ดีหลักนี้ก็ซับซ้อนเป็นสัจจาย้อนสภาพมสีสภาพปฏินิส ข, ขะอย่างน้อนอย่างนี้ก็อู้ดีน ะ, อ, ะอันนี้อันนี้ขยายอันนี้อันนี้อันนี้จริงตรงตามพุทธเจ้าสอนทุกสูตรทุกหัวข้อทุกหลักการละเอียดลึกซึ้งขึ้นไป แล้วคุณจะเห็นพระปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้าพระสัพพัญยุตยานพระพุทธเจ้านี่โอ้โหเรายังจะมีตถาคตโพธิสัต t h จะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระตถาคตและโอ้ความตัดสรูรของพุทธเจ้านี่วิเศษจริงๆสัพพัญยุตยานุตจานี่มันยิ่งยอดลึกซึ้งวิเศษเยี่ยมแล้วเราก็จะเกิดพลังอินทรีย์พละในตัวเราขึ้นมาจริงๆเลย มีอิทธิบาทมีชั้นทวิริยะจิตตะวิมังสาเพราะเป็นสัจธรรมที่วิเศษโอ้สิ่งนี้ละ ว, วิเศษในมนุษย์เนียเราก็ปฏิบัติก็ยิ่งจะกว้างขวางยิ่งจะเจริญยิ่งจะเป็นพระอริยะที่มีอะไรเป็นความจริงขึ้นไปในสังยุตตนิกายมหาวัฒนะ์ในพระไตรปิฎกเล่ม19นะี่ยข้อ449้อ นึหแหมนี่มันคออยู่ข้างหน้าหรือข้ออยู่ข้างหลังข้ออยู่ข้างหลังหน้าอยู่ฮะขอ้อหกหน้าอยู่ข้างหน้าไโอ้โหพระตะพิรกล่มนี้มีตั้งพันสรอยสบห้าหน้าเฉยเลยสิบเก้าขีดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งขีดเก้าพันสี่รอยเจ็ดสิบห้าน้านี่มันไม่มีมั้ง คงวข้อมากกว่าพันสี่ห้าหน้า449ก็ยังพอมีได้หน้าสี่รอยกว่าคงพอได้นัหนังสือพันกว่าหน้านี่พระเจ้าพิโรธไม่เห็นมันเล่มโตถึงขนาดพันกว่าหน้าน่าเล่มสิบก้าด้วยเล่มสิบเก้าไม่โตนี่นะก็คงเป็นข้อพันสห้ามากกว่านะ 1475หน้า449ร้าควางจะเป็นยังไงมากกว่าเล่ม19คุณสมบัติของพระโสดาบันนะสังยุตตนิกายมหาวัฒน์หนึ่งขีนะนิระยะมีขีนะนิระยะนิระยะก็คือนรกนิระยะภูมิสิ้นสุดกับนรก ไม่ต้องไปตกนรกอีกนี่ข้อนหนึ่งนะคุณสมบัติตรวจสอบดูทีเพื่อจะมีโสดาโสดเดออะไรนั่งอยู่นี่นี่คุณสมบัติของพระโสดาหนึง่งอ่าสิ้นสุดกนรกขีนะนิระยะขีนะขีนาศบนี่แหละขีนะขอสระีนอนเนนขีนะนิระยะ สิ้นสุดกับนรกไม่ต้องตกนรกอีกนรกนี่ก็หมายความว่าออบายหรือสิ่งที่ไม่ดีฐานะของเราคุณมีอบายามุก ค, คุณมีอบายรรมอะไรอะที่มันไม่ได้เรื่องได้ราอะเป็นนี่เาเป็นนรกของเรานะเป็นกามก็ดีเป็นพยาบาทก็ดีเป็นธีนะมิทะก็ดีเป็นอุทจักก็ดีนี่มันหยาบมันคายอยู่ และเราก็ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงยังสงสัยลังเลยังจับไม่ติดยังเป็นวิจิกิจฉารู้มันชัดรู้มันเจนรู้มันสมบูรณ์จนเป็นการพ้นวิจิกิจฉาเสร็จแล้วก็ปฏิบัติพ้นศีลปตปามาตรู้เลยจับติดแล้วนีัสกายะตัวนี้แล้วเราก็เออทำได้แล้ว้นละไม่ตกอีกแข็งแรงไม่พ่ายแพ้อีก การวนเวียนนรกกับ ว, วนเวียนลงไปเป็นเช่นนั้นอารมณ์เช่นนั้นอารมณ์ที่โดยเฉพาะอารมณ์ที่มีนิวรณ์อารมณ์ที่มีกิเลสไม่มีละถึงยังไงก็ไม่เกิดกิเลสเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้เพราะนรกกลุ่มนี้เพราะโลกอย่างนี้เพราะอารมณ์อย่างนี้เพราะอาการอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยอันนี้ที่ทําให้เป็นอย่างนี้ไม่ละ ว, วางเฉยกับมันได้ละ แม้มันจะมีอยู่เราก็อยู่เนื้อมันเป็นโลภุตระจิตแม้จะมันมันยั่วมันยวนมันมอมันเมา อ, อย่างไรจิตเราก็ ไ, ไม่อ่อนแอไม่ไม่ตกนรกอีกแล้วอาจจะยังไม่ถึงการล้างอาสวะสิน้นแต่ไม่มีกําลังแข็งแรงไม่ลงไม่เป็นไม่เอาไม่ตกนรกนี้อีกแล้วไม่ลงไปเป็นอารมณ์นี้อีกแล้วไม่ต้องไปเสพไปต้องไปเป็นสวรรค์แต่ก่อนนี่หลงว่านารกนี่เป็นสวรรค์ลงว่าเป็นรสอร่อยลงไปกินขี้นี่ดูอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่ลงไปกินอีกแล้วไม่ต้องกินอีกขี้นี้ ไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปมีอาการอารมณ์กับรสชาติอย่างนี้อีกแล้วต่อมามีขีณนะติรชานโยนิยะติรชานโยนิยะขีณติรชานโยนอิขีก็ขีสตอเนยนนี่แหละติรชานโยนิยะโยนิยะการเกิด เกิดในติรชานเป็นโ ล, โลกสิ้นสุดกับกำเนิดเดริชา น, นาอีกก็คือสภาพที่มันยังขขางๆรีรียังมันยังไม่เป็นสภาพเดินทิศทางตรงมีกำลังไปในทิศทางนี้มันยังตัวเองก็ยังขขางๆรีๆตัวเองคือยังเกงๆกลางๆตัวเองก็ยั ง, ง, ง, ง, ยงมีอะไรที่ขดขาด มีอะไรที่มันไม่คล่องมีอะไรที่ยังไม่ปโปร่งไม่โลง่งมันเป็นยังเป็นลักษณะที่ยังไม่เจริญอยู่ขนาดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ้นสุดไม่มีแล้วแต่ก่อนนี้เราก็รู้ว่าสภาพพวกนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเหตุแก้ตัวที่มาขวางมาถือว่าเป็นภาระถือว่าเป็นต้องอนุโลมถือว่าต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง ไม่มีอะไรกีดอะไรขวางไปได้แม้จะรู้ว่าเป็นสักอุตรจิตแล้วเป็นจิตที่ดีแล้วเป็นจิตที่พ้นสภาพว่าดีไม่ตกแล้วนรกนี้ไม่ลงอีกแล้วแต่ยังเหลือเชื้ออยู่เชื้อนี้จะต้องทำให้เกิดสมาหิตะทำให้เปิดอับทำให้เกิดไม่มีวิมุตจนไม่มีอวิมุตจอนอะไรเป็นอะสมาฮิตะอะไรที่มันเป็นจิตสมาธิวิเศษสุดไม่เป็นวิมุตวิเศษสุด ก็รู้แล้วยังไม่เป็นอนุตรจิตยอย่างไรก็เข้าใจชัดน ะ, นะีณติระฉานโยนิยะสิ้นสุดกับกำเนิดโดยฉานสามสิ้นสุดกับวิสัยแห่งเปรตก็คงจะพอเดาออกแล้วละว่าอย่างน้อยที่สุดนี่ความเป็นโสดาบันเนี่ยไม่มีแล้วอบายภูมิ4นี่สามก็คือแห่งเปรตก็คีณนะปิติวิสัยปิติวิสัย เป็นลักษณะของวิสัยของเปรตไม่เกิดเป็นเปรดอีกไม่มีอารมณ์อยากถึงแม้ว่ามันจะมีรู้สึกตึงหนิดตึงหนิดระรีวระรพิว พ, วพวแต่มันก็ไม่ได้เป็นความอยากที่จนกระทั่งเราทนไม่ไดใ้ในโซดาภูมิเนี่ยโสดาภูมิคืออาการอารมณ์ของเราเนี่ยเราแข็งแรงแม้ว่าเราจะรู้อาการว่ามันยังเป็นลักษณะ ลูกลูกหลานของกิเลสอันนี้อยู่ของกิเลสนวอนี่อยู่แต่มันก็ทนได้ไม่ออกมาหรอกมีฮิริมีโอตปะมีอินทรีพะละมีกำลังมีฮิริโอตปะมีกำลังเพียงพอจริงๆกำลังจิตของเราแข็งแรงละอายสูงขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเป็นขั้นอนาคามีภูมิเป็นจิตก็เหลือแต่รูปราคะอรูปราคะ ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็แข็งแรงเก่งกลา้าพลาดพลั้งบ้างก็เป็นเรื่องโสดาทําไม่พลาดพรั้งเลยด้วยว่าพลาดพรั้งน้อยก็เป็นสกิทาสูงขึ้นไปถ้าเป็นอนาคารก็ไม่มีละโดยเฉพาะกามที่เรียกว่ากามที่เรียกว่าพยาบาทจับจบับฤทินามิทะจับหยาบอุทธจักกุ ก, จ ก, จ ก, จกุจจะจับจับนั้นชัดเลยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้อุทธจักกุ ก, จกุจจะลักษณะนี้ถินามิทะลักษณะนี้พยาบาทลักษณะนี้กาม ก็มีสองทิศขยายในโลภะโทสะขยายสองทิศผลักและดูดดูดและผลักเท่านั้นแหละแต่ลักษณะสำคัญอันที่สีก็คงไม่ต้องดาวสี่สิ้นสุดกับเรื่องอบายทุคติและวินิบาตขีนาปายทุคติวินิ วินิปายขีนาปายะทุกติวินิปา ย, าปา ย, ปายไม่ต้องไปสู่อบายทุกติและสถานที่ตกต่ำอีกคือที่ต่ำที่เราเคยตกเคยเป็นอกตัวอย่างทางรูปธรรมง่ายๆเราต้องไปเข้าบ่อนไพ่เราต้องไปนั่งอยู่ในโงรงเหล้าไปกินเหล้ากับเขา โดยมีอารมณ์กิเลสอย่างแต่ก่อนบันเทิงเริงรมเป็นสุขเป็นสวรรค์ทั้งๆที่มันเป็นนรกแท้ๆเราไม่แล้วจะต้องไปมั่วซุ่มจะต้องไปบันเทิงเรืองรมจะต้องไปเมื่ออย่างพวกเราเนี่ยให้ไปดูไอคอนเสิร์ตติชิโร่ไปดูคอนเสิร์ตวายโนสเวน่นเอาเดี๋ยวแจกบัตรใต้คนให้เขามีเขามันไปจะไปไหม ใครจะไปมั่งยกมือขึ้นอยากไปยุแต่ยังไม่กล้ายกมืออายเข า, าขอ่ะก็อาจจะเป็นได้แต่หลายคนจะรู้ตัวว่าโอ้ยไม่ไปลอกเมื่อยเปล่าๆนั่งอยู่เฉยๆที่นี่ก็ยังมันกว่าคือมันไม่มีอารมณ์ต้องการแล้วอย่างโลกเขากำลังเหิอกันเาลังโอ้โหม่ ไ, ไ, ม ไ, ไ, ม ไ, ไ, มได้เราเนี่โอ้โหโชคดีเว้ยได้บัตรไปาราคาแพงด้วยนะเนี่ยไมเคลิลแจ็กสัน หรือว่าตาราใหญ่อะไรก็แล้วแต่ถึงเบิร์ตน ะ, ะว่าเงีน้นะเขว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ใหญ่เบิร์ตแม็กอะไรแม็กอินไตอะไรเงี้ยทงใจอไรไปไหมหรือจะไปเที่ยวอย่างโง่นเที่ยวอย่างนี้ยังมีการเที่ยวเทรดแล้วยังมีอะไรที่จะเป็นเล่นในการลเล่นมหัศรรย์สิ่งเสพติดอะไรอบบายที่ชัดๆเนี่ย มันไม่แล้วจริงๆแล้วแต่ก่อนนี่ยังหลงละเริงยังยังมีรถมีชาติแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีรถมีชาติมันไม่ดึงไม่ดูดมันไม่เป็นไปเลยมันเกิดยานปัญญาแจ้งชัดแล้วจะหลอกจะล่อยังไงเราก็เข้าใจมีปัญญารู้เท่าทันถอนฐานะที่จะมันจะเป็นลงไปจมอะไรอย่างนั้นจริงๆไม่มีละนะห้เป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรม ทีนี้พูดถึงทุงกุศลสเนี่ยสมบูรณ์ล ะ, ะมีควา ม, มถ้าจะบอกว่าข้อที่สเป็นอสุรกายอันนั้น ต, ต้นมาเราก็มีลักษณะนิริย ะ, ะเดราชาโนเปตเราก็มีมาแล้วถ้าข้อสี่จะเป็นอสุรกายก็คือจิตกล้าแล้วเป็นสุรกาโยละไม่ใช่อสุรกาโยละ จิตมันกลาก้าแข็งจนกระทั่งว่าไม่มีแล้วไม่ลงแล้วจะไปตกภูมิต่ําอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วสิ้นสุดการเรื่องอบายอบายทุกขติวินิบาตภูมิที่ต่ํานั้นไม่ไปอีกแล้วคุณแน่ใจตัวเองได้ไหมแน่ใจตัวเองเป็นครั้งคราวนะมันยังไม่แข็งแรงจรงจิงจัก็อาจจะเป็นได้แต่ในภาวะขณะนี้เนี่ยหมายเรามั่นใจก็มั่นใจไปและต้องทําต่อสูงขึ้นสูงขึ้นไอ้สิ่งนั้นมันก็จ ะ, จะเจริญหายไปเลย ไม่วนเวียนอีกได้ทีนี้ในด้านข้อที่15ขึ้นมาท่านก็ บ, บอกเป็นพูดเข้าถึงกระแสะธรรมโสตาปั ต, ตะโสตาปั ต, ตะเข้าถึงกระแสะธรรมเข้าถึงกระแสะโสตาโสดานี่แหละโสต า, ตาภาษาบาลีก็ไม่มีดอเด็กเราก็มีตัวต่วตาวโสตาป ต, ตะเป็นผู้เข้าถึงกระแสะธรรม 6. มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอาวินิปาตธรรมะอะนอะก็คือไม่นี่แหละเพราะงั้นวินิปาตะธรรมะที่จะไปทรงไว้ซึ่งสภาพอย่างนั้นอะวินิบาตวินิบาตเนี่ยไม่ละมี มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาทา่านแปลเป็นภาษาไทยอันนี้อวินิปาตะธรรมะมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเจ็ดนิยตะเป็นผู้เที่ยงแท้อเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะได้บรรลุอรหัตผลในอนาคตเป็นผู้ที่เข้ากระแส โสดาปะตะในบางทีเขาก็เรียกว่าแขง่ายๆว่าเป็นผู้เข้ากระแสต่อมาก็ไม่ตกต่าเป็นธรรมดาก็คงจะเคยได้ยินใครๆที่เคยศึกษามาภาษาพงนี้นี่เป็นลักษณะของโสดาบั น, นข้อห้าเข้ากระแสข้อ6ก็ไม่ตกต่าเป็นธรรมดาข้อเจก็เที่ยงแท้นิยตะเป็นผู้เที่ยงแท้เ ท, ท, ที่ยงแท้ต่อนิพพานเที่ยงแท้ต่อพระอรหันต์ข้อ8ทีนี้เป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นไป เป็นที่ไปเป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าสัมโพธิปรายณนะภาษาบาลีว่าสัมโพธิปรายณนะสัมปรายนะนั่นแหละเบื้องหน้าสัมปรายณนะแต่มีคําว่าสําอยู่ข้างหน้าสัมโพธิปรายณะสัมโพธิปรายนะ เป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปเป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้า8ดข้อนี้เป็นองค์ธรรมที่จะตรวจว่าเราเป็นโซดาบันหรือไม่เอาละคุณลักษณะ4อย่างสี่ประการนี้เราก็ได้แต่ประเมินประมาณคุณลักษณะตั้งแต่ข้อหเข้ากระแสก็ดี มีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องรู้พลังของเราว่าเอ๊ะเราจะตกลงไปอีกไหมเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไหมวเวลาจะตกลงไปอีกเราจะไปบนเวียนในโลกอย่างนั้นในสภาพอย่างนั้นในอารมณ์อย่างนั้นในอาการอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเป็นอีกไหมคุณจะรู้นะว่ามันมั่นใจว่า ยังไงเราก็ไม่เอาไม่เอาเรารู้แล้วเราไม่เป็นบันเทิงเริงเรามันไม่เป็นรถเป็นชาติรู้จริงๆแล้วมันจะมียานรู้แล้วแม่คนเอานี่มันหลงอยู่ได้แต่ก่อนนี้เราหลงอย่แต่เรนนี้เราไม่หลงจริงๆแล้วเราไม่เอาจริงๆแล้วเราโท่มันก็เรื่องธรรมดาจะเห็นความโง่อวิชชาของเราแต่ก่อนนี้มาโอธ่ไปมัวเสียเวลา ไปนั่งคลุกไปนั่งจ่ายนั่งเน็ดเหนื่อยไปเที่ยวๆไล่เที่ยวคือวนเวียนสุกอยู่ได้นี้ยิงอายุมากๆผ่านโลกมาหลายอย่างหลายอันเนี่ยโอ้นั่งคิดเอาสิตรวจดูสิบุเพนิวาสานุสติยานดูสิโอ้เรานาะเราแล้วไม่เห็นมันได้ดีๆอะไรมันก็เอกโลกียะมนุษย์โลกโลกสูญเสียเปล่าเล่ามาคิดอีกทีนึง โอ่หน้าอายนะไปทำอยู่ได้มันจะชัดเจนเลยมันโอ้ไม่เอาล้วมันมั่นใจได้นะแต่แล้วมันก็เป็นคุณลักษณะต่อไปเป็นคุณลักษณะที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้เป็นผู้จะได้ตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้อย่างจริงๆนะเพราะงั้นในสภาพของนิรยภูมิสี่ อบายไม่ใช่อบายภูมิสมิลิริยะเป็นต้นนะเป็นความเร่าร้อนเดือดร้อนรอนรานแต่ก่อนนี้ไม่รู้ว่าร้อนแล้วนึกว่ามันมันเป็นซาดิสนะมันโรแมนติกนะอ่าเรีว่านี่มันมาแห่ จ, จะเยมอมอหวานใจไปได้กามขนาดไหนก็มอเลี่ยนขนาดไหนก็ยังอุตส่าห์ชื่นชอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วอ พยาบาทรุนแรงซาดิสขนาดไหนมันมันมันโกรธซาดิสตัวนิ้ซาดิสหน้าดูหรือแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นทีนังเป็นอุทธจักรกกุดจะอย่างไรอาการจิตวิญญาณของเราน่ยเป็นลักษณะอย่างนี้มันทีนังมันตีไม่แตกแล้วมันดื้อมันด่านมันไม่เคลื่อนไม่คลายมันไม่เคยับขยับมันโอ้เราไม่ไหวหรอกเราออกไม่ได้หรอกเยยับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยในจิตมันตกผลึกอย่างนี้แล้ว นั่นแหละเป็นลักษณะที่เราต้องรู้ตัวเราไม่ได้นะต้องเคลื่อนคลายต้องขยบขย่าต้องเปลี่ยนแปลงต้องหาวิธีการอะไรที่จะต้องชัดการกับมันอย่าให้มันม น, นั่งจมปลักหรือว่าแช่อิ่มติดแป้นเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เอานี่เป็นลักษณะทีนามิทะหรือไม่ก็จับไม่ติดเอเราจะอะไรนะนี่เราจะเจริญยังไง มันมีอะไรที่เราจะต้องทําให้เจริญไปอีกก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรว่าอุทะจักกุขุจักไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่มีญาณปัญญาไม่รู้ว่าชีวิตยังไงอาการอารมณ์ยังไงที่เราจะจัดการกับตัวเองกรรมกิริยาอย่างไรที่เราจะดีขึ้นไม่รู้ต้องรู้ไม่รู้ก็ต้องรู้ต้องพยายามรู้ให้ได้ว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ดีขึ้นกํากิริยากายวาจาใจมีโจทย์อย่างนี้มีการกระทําอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีบทปฏิบัติอย่างนี้อบรมตนอย่างนี้มีตะบักอย่างนี้ หาให้ตนให้ได้อย่างพ้นวิจิกิจจาอย่างพ้นสงสัยว่าใช่แล้วนี่เป็นฐานปฏิบัตินี่เป็นทางปฏิบัตินี่เป็นการก้าวนี่คือทิศทางที่จะเจริญขึ้นเราจะรู้ตัวเราว่าเรายังไม่ได้จบไม่ได้เป็นพระอาร ห, รหอันเรายังไม่เป็นพระอารหันหรอกแต่ต้องมีทางนี่เรายังมีกิเลสก่อนนั้นก่อนนี้อยู่นี่เรายังมีเอโนเนนีอยู่อะไรนี่เต้องรู้ตัวเราพัฒนาขึ้นเติมไม่ได้ทุกวันนี้อาตมาก็เข็นพวกเราอยู่ใน ฐานะพวกนี้ละให้เจริญขึ้นแต่เสร็จแล้วละพวกเราก็ย่างไม่กระเตืองชมวิวชมสวนอยู่ก็ไม่รู้จะทํายังไงร้ายผู้หลายคนก็ย่างอยู่ น, นั่นแหะไม่มีกรรมกิริยาไม่มีอิริยาบทอะไรที่ว่าเจริญขึ้นแม้แต่รูปหยาบข้งนอกเวลาเจริญนะมันเจริญทั้งรูปหยาบมันจะเจริญเห็นได้กายวิจีมโนมันจะพัฒนาขึ้นมาว่าโ อ, อ้พัฒนาขึ้นมาได้มีอิริยาบทสามที่ดูได้ผู้อื่นก็รู้ได้ ด้วยอะไรชัดเจนไม่ต้องปลางต้องลงคบคุนกันไปมันจ ะ, จะเข้าใจได้อาทีนี้ลองมาดูคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ลองดูทีนี้เมื่อกี้ดูโซดาแล้วมาดูของพระอาหารหันต์เสรเราจะได้รู้ว่าอขอบหัวขอบปลายเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรคุณสมบัติของพระอาหารหันต์ก็มีแดข้อมันกันพระไตรปิฎกเล่ม19เนี่เหมือนกันและข้อพ3 6ส คุณสมบัติของพระอาหารหันต์หนึ่งอาหารหันตะคื่ขึ้นภาษาสืบือเลยภาษาตรงเลยเป็นพระอาหารหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสไกลยังยังมอมอมาจากมอมอมไหมภาษาอีสานแปลว่าอะไรมอมอฮะฮะมอมออยู่มอมอ มอม อ, อะไรกันไม่รู้จักอิสานอะไรกันไม่รู้จักภาษาคำว่ามอมอใกล้ๆมมนี่แปลว่าใกล้ๆนะไกลจากกิเลสไม่ใช่ไกลนะเป็นพระอาหารหันต์คือผู้ไกลาจากกิเลสสองขีนาสวะ เป็นผักีนาศพคือเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานนะคือผู้สิ้นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานเป็นขีนาสวะหนึ่งอรหันตสองขีนาสวะสผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วนะมุสิตะวันตะมุสิตะวันตะ เป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วสกะตะการณียะถ้าใครแปลออกใครใครรู้จักภาษาบาลีกะตะการณียะเป็นผู้มีกิจควรทาอันได้ทาแล้วเป็นผู้มีกิจควรทำอันได้ทำแล้ว แปลอย่างลัดลัดล้ว ก, ก, ก็คือผู้ที่จบกิจนั่นแลหล ะ, ะกาตะกรณียะผู้มีกิจอันควรทำอันได้ทำแล้วกิจอะไรควรทำให้แกตนก็ได้ทำจบละได้ทำแล้วกาตะทำจบแล้วเสร็จแล้วกะตะเสร็จแล้วได้ทำแล้วส5่ห้าโอหิตะพาระ เป็นผู้มีภาระอันวางลงแล้วปรงภาระวางภาระแล้วจบภาระแล้วจบกิจจบภาระาหผู้มีภาระอันวางลงแล้วโอหิตะภาระ 6. ผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้ว ผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วอนุป ต, ตะสัทสัทถะอนุปตสทัทถะอนุก็อนุนะป ต, ตะก็ป ต, ตะ ส, ะทสทัทสัทจะทอทหารไม่หันกาศ ต, ตอเต่า ท, ทอทุสกษะ สอทอแม่านาคาต่อเต่าทอทุสระอนุปัตตสัทถะถ้าเขียนเป็นภาษาบาลี ก, กลๆยอปัตตะเขาไม่ต้องไปใส่สระพอปัตตะแล้วก็มีต่อเต่าสองตัวท่านั้นนะปัตตสัทถะอนุปัตตสัทถะผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วโดยลำดับอนุนี่เลยว่าตามลำดับอนุ ปตตก็เข้าถึงปตตสัททะก็มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลําดับแล้วปริปริขีณาพวสัญโยชนะปริขีณาพวโสยันปริขีณาพวสัญโยชนะสัญโยชนะสัญโยชนะในตัวยอหญิงก็ได้ยอยักษ์ก็ได้ สัญโยตสัญโยตสังโยต น, นี่แหละผู้มีเครื่องผูกพันสังโยตนี่ผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพอันสิ้นแล้วปริขีณาภาวะภพราะก็คือภพนี่แหละปริขีณาภาวะสิน้นภพสิ้นชาติสังโยชนะสังโยชนะปริขีณาปริขีณาภาวะสังโยชนะ ผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพอันสิ้นแล้ว8ป็สุดท้ายสัมมัทั ญ, ญาวิมุตตะทัญญายอยิงสองตัวสัมมัทัญญาสัมมะก็มีมอมะสองตัวสัมมทั ญ, ญาวิมุตตะข้อแผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอันนี้เป็นคุณลักษณะของพระอาหารหันต์เพราะแม้แต่เราจะเป็นโสดาบันถ้าเราจะรู้จักเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยหยาบๆต่าๆนี่เราลองเราก็มีชีวิตอยู่เราเช็คสิเหตุปัจจัยอย่างนี้นะมันมากระทบสัมผัสเรา เออไออย่างนี้ของเราก็โออรหันตะของเราก็ขีนาสะวะของเราก็วุสิตตะวันตะของเราก็กัะตะกรณียะเออมาสัมผัสแต่ต้องยังไงของเราก็อืมกิเลสไม่มีละอาสะวะเราก็อ่านจิตของเร า, าอาสะวะมันคืออะไรอนุสัยมันคือหนาดไหนเอ้มันก็ไม่มีไม่ขึ้นไม่ฟุง้งไม่อะไรเลยนะเออพรหมจัรร์จบแล้วแน่ๆนะ วุติตะวันตะกิจนี้ไม่ต้องทำอีกนี่แม้แต่มันกระทบกระแทกรู้ตัวไม่รู้ตัวเมื่อไร่เราก็มารดึกมีเตวิชูโชทุบทวนแล้วไม่เกิดอาการอานสนิทไม่เกิดกิริยาอาการที่เป็นโลกิยารมไม่มีโลกิยารมใดๆเลยแม้อโศกวิริชะไม่หวั่นไหวไม่เคยเกิดกระเพื่อมฟูฟองอะไรอยู่เหนือมันได้อย่างแข็งแรง สิ่งอย่างนี้เหตุปัจจัยนี้ของเราอะไรเนี่ยจะหยาบอะไรยังไงคุณก็แต่ละเรื่องแต่ละอาอันคุณจะลดลาดได้ในเหตุปัจจัยเล็ ก, ลกๆน้อยๆของหยาบๆตําๆเนี่ยเรารู้แล้วนะอย่างนี้แค่โซดาบันเท่า น, นั้นแหละลดไอ้ของหยาบๆตําำอย่างนี้อบายมุกจังเนี้ยแต่ว่าจิตวิญ ญ, ญาณในเร า, าสามารถอ่านเป็นอรหันตผลได้อรหันในโสดาได้อรหันในเรื่องบุรีตัวนึงบุรีเรื่องเดียว นะหรือเครื่องใช้ไม้สอยของผู้หญิงอะไรที่มันห ย, ยาบหยาบในเรื่องที่เลอะเทอะอยู่เนี่ยไม่ต้องอะไรหนระอกอาตมา ถ, ถือว่าแค่ริบสดตรงริบสติกอะไรนี่ก็โอ้ไปทามาปากทําไมมันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไปทามันทําไมอาตมาว่าไม่ไปถึง อ, อนาณาคามีหรอไอเรื่องแค่ทาปากแดงแจด๊ดแจด๊แจดนี่โอ้โห เมื่อเราไปถึงอนาคามีโสดาเนี่ยมันก็ควรจะต้องถือถือว่ามันควรได้แล้วไอ้ยังทาปากแจ๊แจ๊ดจ๊ดอย่างนีไม่ได้โสดาโซแดียอะไรหรอกยังแหม่ยังร้อนเรายังจะต้องสุกสนุกต้องเราไม่ทาปากแดงนี่ไม่ได้หรอกเราต้องไมันต้องอร่อยมันมีรสชาติกามด้วยนะนอกจากจะเป็นรสชาติของอัตตา ม, มานะแล้วมันรู้สึกว่ามันต่ำต้อยแล้วอะไรแล้วยังมีรสชาติของกามในทา้วมันเป็นสุก ไม่ได้ทาแล้วโอโห้สึงมันทรมานนะไม่ได้ทาปากไม่ได้ทาหน้าอะไรเนี่ยอาตมาว่าเป็นจริงๆนะคนผู้หญิงเนี่ยแม่แต่คุณผู้หญิงด้วยกันคุณจะรู้สึกแต่บางขณะบางครั้งแต่ก่อนนี้มันมีรสชาติขนาดไหนถ้าใครไม่ติดไม่ยุดบอกอู้ทาไม่ทาก็ไม่ได้มีอะไรก็แสดงว่าบีภูมิมีบรารมีก็ดีแล้วไม่ต้องติดต้องยุดอะไรเป็นมา หรือผู้ชายเนี่ยแต่ก่อนนี่ยโอ้มันติดมันรู้สึกอร่อยมันรู้สึกผูกพันแต่บางคนมีบารมีนะมันไม่ผูกพันอะไรนี่เป็นลองกินเหล้าเป็นลองสูบยาเป็นลองสูบฝิ่นอะไรมันก็ไม่ผูกพันอะไรนักหนามันมีรถมิชาติบางก็ติดไปแล้วลมลมแรงแรไปกับเขาเองนั่นแหละเล็กๆกน้อยน้อยไม่ยากในการที่จะเลิกจะละก็จะรู้ว่าหนเป็นคนมีบุญบารมีเก่าถ้าไม่มีบุญบารมีนะโอ้โหไปติดไปยึดเอานักหนาจะพลาดจะจากมาก็จะเป็นจะตาย ต้อทรมานทรกรรมออกมายากเย็นนักหนาไม่ว่าจะเป็นในแค่รูปรถกินเสียงสะพัสอย่างนี้หรือเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเรื่องกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายโอโ้โหเรานี่นะยื้อยุดยุ่ดเรื่องเอารมณ์ nhiều, มันยากมันเย็นมันจะต้องลําบากลบากลบนจะต้องมีรถมีชาติสู้มันไม่ได้อํานาจมันสูงมันมากมันมายแม้หยาบไปทําแล้วก็ยังนับ ตัวของเราเองก็รู้อยู่ว่าเราเองเราก็ยังมีอารมณ์มีรถมีชาติมีติดมียึดอะไรเนี่ยมันจะรู้ตัวเร า, ามีบา ร, รมีหรือไม่มีบา ร, รมีเราอยากมีบารมีเราก็ต้องอบรมอบรมไปแล้วก็ได้ไปจริงจริงแต่สุดท้ายมันก็เบาง่ายหรือไม่ต้องทำเลยมันได้ไมาแล้วชาติก่อนทำได้แล้วชาตินี้เซอร์เลยนะไม่เห็นรู้เรื่องกับเขาเลยมันไปติดยังไงวะมันไม่ไปหน้าติดเลย เออดีแล้วละได้แล้วก็ดแีแล้วไม่ต้องไปว่าเขาเขาเองเขาเองติดอยู่จริงๆก็เราไม่ติดแล้วบุญบา ร, รมีของเราดีไม่ต้องไปมีอัตามานะไปข่มคนอื่นเขาไปติดอยู่ได้อย่างง้นอย่างงี้ไม่ต้องไปว่าเขาเราตัวเองพ้นมาได้รอดปากเยืยบปากกามาได้กับบุญดีแล้วแต่เราไปย่ายี ข, ข่มขีคนเขาติดเขายึดอยู่เราก็ไปอัตามานะ มันมีอารมณ์เลยนะมันมีจิตใจเป็นดูถูกเหยียดย้มเขาไม่ต้องไปเหยียดยามเขาน่าสงสารเขาเขาติดอยู่เราไม่แน่เราแต่ชาติก่อนอาจจะติดหนักกว่านี้อาจจะจมยิ่งกว่านี้แต่เราเออในปฏิบัติภาคเพียรอดละมาได้กับบุญของเราแล้วแหละไม่ต้องไปย่ายีเขาผัพลังงานแม้แต่มานะอัตตาเราถือดีถือตัวไปกดขี่กดข่มคนอื่นเขาเราก็ไม่ต้องมีก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อตนนะ พระเมื่อเราตรวจแล้วจะเป็นอรหันตะขีนาสวะวุสิตตะวันตะหรือว่าเป็นผูท้ที่เอออย่างนี้เราไม่ต้องทําอีกแล้วนี่จบเป็นกัตตะกรณียะเป็นสิ่งที่เราวางปรงได้แล้วจริงๆะจะ ค, คลุกคลีเกี่ยวข้องกับปริสุทธาปริโยธาตาที่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับสะอาดปริโยธาตาจะอาบจะพอกจะกระทุง่งกระแทกกระเทือนยังไงอยู่ก็โอ้สบายอยู่เนื้อเหมือนอยู่ในที่ว่าง จะแข็งจะแรงเหมือนกับยังภูเขากองมากยังภูเขาแข็งอย่างกำแพงเราก็เดินผ่านเฉยยังก็อยู่กับมันเหมือนกับเราอิน visible ตัวเราเองเหมือนกับตัวไม่มีตัวตนไม่ดูดไม่ ส, มสัมผัสก็ไม่ก็เทือนก็สะดุ้งไม่เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหมดทุกอย่างมีประโยชน์อันตนบรรลุเป็นลําดับมาเราเรียไรไหลเลี่ยงมาก็เออเราบรรลุมาจริงนะยิ่งทบทวนได้ว่าตามลําดับ ไม่ใช่ว่ามลัดมาลิดอะไรมีทุกอย่างมีลำดับนั้นลำดับนี่มีอนุปตัตสัทสัธรรมมีขีมีปริขีณพภาะวะสัญโยชนมีการมีไอเครื่องผูกพันทั้งหลายแลหมดพบหมดชาติไปได้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้มีญาณรู้โดยชอบมีสัมมัตัญญา เนี่สัมัญยาวิมุตตะมีญาณรู้ชอบรู้แจ้งรู้ด้วยตนเพราะนั้นอรหันในโซดาเราก็สามารถอ่านได้เราก็จะมีสิ่งจริงอันนั้นนะเป็นรูปรอยเป็นตัวอย่างเป็นสเปซเมนของเราเป็นตัวอย่างของเราที่เราจะใช้เรียนรู้อันอื่น ไม่มีใครมาหลอกเราหรอกเร า, เร า, เราต้องมีปัจจตตังเวทิตพโพวิญญูหิมีญาณมีวิมุติมีความรู้จริงเราจึงเชื่อได้เชื่อเราเองไม่ได้ไปเชื่อพระพุทธเจ้าถึงบอกสอนไว้ในกาลามาสูตรไม่ไปเชื่อครูของเราไม่ได้ไปเชื่ อ, อนโ น, นั่นนี้แต่ก็เชื่อเหตุผลเชื่อหลักสูตรเชื่ออะไรต่เราเอามา ป, ปฏิบัติจนมีสภาวะเองถึงแม้ว่าสุดท้ายเราบรรลุแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวจนกระทั่งมันมีกตัญยุกตวเวที เสร็จแล้วทศนานมาเชื่อแม้แต่ครูของเราก็เลยกลายเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนอกตัญยูไม่มีครูไม่มีอาจารย์กระด้างกระเดืองก็ไม่ใช่เราก็รู้อยู่ว่าอ๋อความหมายว่าเราไม่เชื่อแม้แต่ครูของเราเราก็รู้ว่าครูของเราเราก็ไม่ได้อกตัญญูอะไรแล้วก็กตัญญูกตเวทีแต่เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้เชื่อครูของเราเพราะว่าเราเชื่อสภาวะจริงของเราเองแล้วไม่ได้เชื่อเพราะของครูของครูก็ของครู คำสอนของครูมาก็ตรงเออตรงตามครูสอนตรงตามครูว่าไม่ได้เชื่อตามครูที่ว่าบังคับเรารล้อมล้างสมองเฉยเฉยมีแต่เหตุผลไม่ใช่มีสภาวะที่เป็นกุศลแล้วเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วได้แล้วมีแล้วครบแล้วสมบูรณ์แล้ว ถ้าอย่างนี้ก็สอดคล้องกับคำสอนพระเจ้าทุกบทการามาสูตรก็ครบยานปัญญาเหล่านี้ก็ครบมีจริงไหมล่ะมีจริงก็จริงอันนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ท่านจะสอนในประมิสูตรที่ปฏิบัติหรือสูตรให้เช็คให้ตรวจที่เอามาอ่านนี่เป็นสูตรให้เช็คให้ตรวจ เป็นสูตรที่ให้ตรวจสภาวะอาการต่างๆาตั้งแต่โซดาโซดาบรรัดหลักอาบายภูมิสี่เป็นต้นก็ไม่มีลักษณะทั้งสนอกจากอบายภูมิสี่แล้วเป็นลักษณะดีอีกส่ทั้งเป็นสภาพของโซดาปัตตะอวินิป อวินิปาตาธรรมะข้อที่ห้นี่โซตาปัตตะคือเข้าสู่กระแสเข้าถึงกระแสาาาธรรมะธรร ม, มโรมเลยไม่มีธรรมัญญาเป็นผู้เข้ากระแสเป็นผู้ไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้เป็นผู้มีการตัดสรุ้เป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีคุณธรรมอีกสี่ นอกจาก อ, อบายภูมิสี่เป็นเครื่องเช็กว่าเราพ้นอบายภูมิแน่แล้วเรามีคุณลักษณะนี้แน่มั่นใจไม่ว่าคุณเองคุณเข้ากระแสเขากระแสเป็นอย่างไรนะเราต้องรู้เลยว่าเรามีมรรคมีผลมีทางเดินมีการลดละจางคลายมาได้นะเขากระแสแล้วก็มั่นใจว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกไม่ตกไม่ตกตกเมื่อไหร่ก็รู้ โอโหนึกว่าเราเป็นโซดาที่แท้นึกว่าเราเป็นโดาที่แท้โซดายังไปผสมเหลอยู่เลยยังเมาได้ต่อเราพ้นแล้วพ้นโซดาเป็นโซดาจริงๆไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้นิยตะแน่ใจว่าเที่ยงแท้เพราะงั้นคุณลักษณะสี่ของพระโซดาบันนี่แม้ว่าเราจะรู้แล้วอรหัตผลว่าเราไม่ถึงขั้นอรหัตผลหรอก ไม่ถึงขั้นอ ร, ห, อรหันต์แปประการตรวจสอบแล้วไม่ถึงขั้นมั่หมดเลยอรหันต์ตาขีนาสะวะอะไรต่างๆมาไล่จนถึง8หลักนี้เราก็ยังไม่ถึงขั้นนัน้นหรอกแต่ว่ามั่นใจไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเท่งแท้คุณลักษณะอย่างนี้เราก็มั่นใจเราได้ว่าเป็นโสดาเราจะ มีคุณลักษณะแปดนี้ได้ไหมเป็นผู้ที่มีการตรัสรู้ไปในเบื้องหน้าแล้วจะไปอีกคุณจะต้องพยายามไม่ใช่ไปติดแป้นแท่อยู่นั่นแหละเป็นทีนังเ ป, น เ, เป็นทิฏฐะเป็นทิฏฐะหยุดอยู่ไม่เอาต้องวุ ธ, ธิวุธิวุธิไม่ติดเป็นเทวดา อ, องคไดองค์หนึ่งเป็นเทพเจ้าอยู่สิงสถิตยอยู่ชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เคลื่อนไม่คลายเทตมาได้ขยายหมดแล้วว่าเออสภาพพวกนี้เป็นสภาวะที่มันขยายกันสอดคล้องกันทิติดสูตรก็ตามเทตมาเอาไว้ทิฏิตสูตรที่เป็นทีตักติดยึดอยู่กับที่หรือแม้แต่เทพเทวดาองคไดองค์หนึ่งและอะไรอีกบ้างที่ขยายความว่าไม่หยุดอยู่นะถึงสูตรอื่นๆที่บอกว่า บัดนี้เราควรเจริญยิ่งอยู่ไม่หยุดอยู่ไม่ติดแป้นไม่เป็นเทวดาชมสวนไม่เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นอยู่ไม่สุดท้ายเป็นเทพเจ้าสูงสุดก็ยังวางเทพเจ้าสูงสุดเป็นพระพรหมเป็นพระศิวะเป็นอ่าเป็นพระยวะยหวาวเป็นพระเจ้าระดับไหนก็ตามเหรอ มันก็คุณลักษณะวิเศษสุดยอดแต่เราก็ไม่หลงไหลว่ายังมีอัตตามานณมันยังมีอัตตาอย่างนั้นยังมีปรามาตามันอย่างนั้นเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งดีแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ยังเป็นพระเจ้าอยู่นะยังยึดติดภูมิภพนี้อยู่ภูมิภพที่ดีภูมิภพที่เป็นพระเจ้าภูมิภพที่จะมารื้อคนสัตว์ภูมิภพที่จะมาประสร้างมาประทานมารื้อคนสัตว์มาช่วยโลกมนุษย์โลกมาบรร d o บรรดาล มามีประสิทธิภาพมีอภินิหารมีปาฏิหารอะไรก็ตามแต่ที่จะมาช่วยมนุษย์ก็ตามท่านก็รู้ตัวว่าอันนี้เราก็เพียงอาศัยเป็นอาระยวะิญญาณเป็นวิญญาณอาศัยมาใช้ในโลกแต่จิตมีอาไยอาวรห่วงหาเป็นอาไยที่แปลเป็นไทยว่าอาไลามีอาไยมีห่วงมีเกาะมีติดมียึดวางได้ไหมถ้าวางได้ก็ไม่วางได้ก็เป็นพระอรหันได้ถ้าวางไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหรัน แต่มีแต่วิญญาณดีเป็นกุศลแล้วไม่มีวิญญาณร้ายเพราะฉะนั้นในภาคของาศาสนาที่มีปรมาตตมันก็มีคุณค่าต่อโลกเพราะดีนะสิ่งไม่ดีถ้าเขาถ้าเขสอนรีดออกแต่รีดได้ลึกซึ้งขนาดไหนของพระเจ้านี่มีภาวะที่รีดอย่างลึกซึ้งซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนมีสภาพปฏินิสกะตรวจสอบซับซ้อนไม่ใช่ดุยดุดไปทางดีจนกระทั่งกลายเป็น ปิดปกปิดวางไม่เป็นหนาเตะและมันก็ไม่ละเอียดละออเพราะข้อพูดเจ้าที่ละเอียดละออละเอียดละออทบทวนทุกอย่างเลยมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีให้ดีขนาดไหนก็ต้องไม่มีมีดีขนาดไหนก็ไปอีกก็ไม่มีมีดีขนาดไหนก็ไปอีกก็ไม่มีวางเป็นมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีสภาขบวุฒิศาสนาจึงละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนี้ พวกเรานี่มาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ขอให้ภาคเพียรอุตสาหะวิยะดูตัวเองส ก, กายะของตัวเองในฐานะโสดาก็มีส ก, กายะของโซดาส ก, กิทาก็มีส ก, กายะของส ก, กิทาอนาคาก็มีส ก, กายะของอนาคารู้ตัวตนนั้นๆของตนของตนซึ่งเป็นฐานของเรามันไม่ได้หยาบอย่างเก่ามันละเอียดขึ้นไปเรารู้บางคนไม่รู้บางทีนี่ยิ่งเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นเป็นอนาคานี้คนไม่รู้อย่างกับพระอรหรันต์ไง ดูยากดูไม่ออกหรอกดูไม่ได้ไง่ายๆถ้าไม่มีภูมิที่จะไปรู้เพราะว่าทุกอย่างมันกลับไปกลับมาสูงสุดมีปฏินิสขะสัจจะย่อสภาพแล้วเหมือนก็คือมาสู่สามัญเหมือน ก, ก็ท่านเองท่านอยู่เหนือมันได้จริงๆเลวถ้านก็เหมือนกับอนุโลมปฏิโลม ก, กับคนอื่นแต่จิตของท่านสะอาดจิตขอท่านไม่ได้ไปเสพไม่ได้ไปติดอะไรจริตของท่านเป็นอวิมุตต์แล้วจริงๆแล้วก็เป็นสมาหิตะ เป็นจิตที่มีสมรรถภาพเป็นจิตที่มีความแข็งแรงเป็นจิตสามัญสมะสามัญเป็นหิตประโยชน์อยู่เป็นสามัญและเป็นปกติและเป็นธรรมดาแล้วจิตของท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วสมะมีแต่ทําคุณค่าประโยชน์กับคนอื่นท่านจะคลุกคลีเกี่ยวข้องเกิดก็เป็นพ่อม่ไล่โปรดสัตว์จะเกี่ยวข้องคลุกคลีต่อนรกอันนี้ท่านก็อนุโลมไปกับเขารูปแบบก็อาจจะดูเหมือนเป็นคนยังไม่แก่ยง ยังเสพยังติดยังทํายังเป็นเหมือนกับคนลกโล ก, โลกแต่ใจของท่านบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ท่านนั่นแหละโกหกตัวเองท่านก็ไปไม่รอดถ้าท่านไม่โกหกตัวเองท่านสำลึกสังวรสํารวมไม่แวะชมสวนไม่ติดไม่ยึดไม่ถีตะท่านก็จเจริญง่วงงานของท่านได้เองความจริงก็คือความจริงใครจะรู้คุณค่าประโยชน์ของความจริงสัจจะพวกนี้คนนั้นก็ได้สัจจะคนไหนไม่ประมาท ต, ต่อสัจจะความจริง ปเป็นเล่ น, ลน ห, หัวไปไม่เอาจริงเอาจังคนนั้นก็ตกเองอาหารละวันนี้อาตมาก็ได้ทบทวนภาคเพียรในสิ่งที่จะไปตรวจสอบอพัฒนาตนเองโลกสังคมต้องการคนที่จะเจริญด้วยอารียคุณทุกวันนี้ไปไม่รอดจริงๆเพราะงั้นคุณก็ทำประโยชน์ตนมันก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ช่วยสังคมโลกเพราะว่าคนของบุรุเจ้านี่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงนะ อัรมามาพากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็เห็นประโยชน์อยู่แต่โรงงานมันรอรับข้างหน้าเราจะมีงานอีกเยอะเพราะว่าโลกอื่นเขาไม่ไม่ไหวจริงๆเขาช่วยตนก็ไม่ได้มันจะเป็นภาระแต่มันก็เป็นคุณค่าที่ดีเป็นโจทย์ที่จริงอย่าไปกลัวมันต้องมีมาแน่ๆเลยฉลาดที่เราจะต้องแบ่งรับแบ่งคาแบ่งได้ตามสับ ต, ตามส่วนวไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องให้สิ่งเหล่านี้มันมาทับถมเราเสร็จแล้วเราก็เลยพ่ายแพ้มันหรือว่าตายไปกับมันไม่ใช่อเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก